ต้องสะกดไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่นะชื่อว่าเป็ น, นยอดแห่งธรรมทั้งหลายอะไรอะไรก็ทู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบ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 โดยเฉพาะเรื่องกา ร, รมวิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวหรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิต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 อาศัยสตินี่นหละมันยังเข้าไปถึงจิตนู่นถึงความรู้นู่นถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเองถ้ามีแต่จิตเฉยๆไมนมีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้เมื่อ สติมันย่างเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลยเราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นอะสติมันประจำอยู่กับจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้ว แม้นจ ะ, จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันมันก็จเจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุทโธอย่างนี้มันก็พุทโธวิ่งออกนอกนู้นมันไม่ได้พุทโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุทโธก็พุทโธก็อยู่กับความรู้อ น, นั้นแหละความรู้อยู่ไหนพุทโธอยู่ตรงนั้น เช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ได้ตลอดไปเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นโน่นแหละมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสัก กัดกั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกันกบกิเลสให้ดีกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทําพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นได้ทีนี้ถ้าหาว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้ว ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววะเนี้เพราะว่าไปตามอำนาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระแล้วคิดไปเรื่อยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายนี่บางคนนะถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึกว่าสบายนึกว่าใจทนไม่เป็นอะไร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 ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นอ่ไม่ได้คมแบบนี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยพรมช่วยอดเบ็งั้ น, นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมอ อย่าไปหายใจแรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญ <c oughs> ไปหายใจให้สบายสบายค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสาหรับ ฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี้นับว่าสำคัญนะต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิ ก, ก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเรานะพูดไไง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริง ของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้โน้นรู้นี่ทันทีต้องปรับจิตให้มันเน่ว อ, อยู่สะกร่อนอ่มันมันเนวแน่จริงเหรือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมัน ไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพังเพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค่อ ย, อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะนั่นก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันี้นะและอีกอย่างหนึง่งมันรู้สึกอิม่มต่ออารมณ์อิม่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะ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 มันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษต์นี่แบบนี้นะเออคนเรานี่เมื่อตายลงเไปจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออะไดก็เบื่อยเน่าละลายออกไปหรือไม่เะนั้นก็มีสัตว์อื่นมา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 มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งาม เ, เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญานี่มันก็เบื้อหนายนั่นเนในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะเกียรติปัฏนานี่นะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้นบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอน เข้าไปให้เกิดความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปกต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวบาท่านก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษ พอไปเห็นแสงเห็นสีต่างๆมวนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันทีท่านเรียกว่าพิปัลาดนะให้เข้าใจถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามไนงะ ถ้าหากว่ารู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่างนี้นะเราเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเมื่อมันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้ า, าว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านันนะ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 ปล่อยวางและจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นะ